เรื่องภิกษุณีเพ่งดูอวัยวะเพศบุรุษสมัยนั้นเขาทิ้งองคชาติของบุรุษไว้ที่ถนนในกรุงสาวัตถี ภิกษุณีทั้งหลายเพ่งดูอวัยวะเพศของบุรุษนั้นคนทั้งหลายพากันโห o e ภิกษุณีเหล่านั้นเก้อเขินครั้นภิกษุณีเหล่านั้นกลับถึงสำนักได้บอกเรื่องนั้นให้ภิกษุณีทั้งหลายอื่นทราบบรรดาภิกษุณีผู้มักน้อยสันโดษต่างตําหนิประนามโพลทนาว่าชไหน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 ไม่พึงเพ่งดูอวัยวะเพศของบุรุษรูปใดเพ่งดูต้องอาบัตทุกกฏ